ขอความสุขความเจริญจง ม, มีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงทรรจากมาวิจัยศรีปทุมในวันนี้ก็คงเป็นการนำเสนอประวัติของพระโมคคัลลานะเทระวันก่อนได้พูดมาถึงช่วงที่พระโมคคัลลานะพระสารีบุตรและบริวาร250หสิบ มาเข้าฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระเวลวันกรุงราชครึกได้ฟังธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าแล้วบริวาล250บรรลุมรผลเป็นพระรหันแต่พระโมคคัลลานะกับพระสาริบุตรก็คงอยู่ในธนาของพระโสดาบันเสนเด็จ เพระท่านเกิดปีติปราโมทตื่นเต้นกับธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็าทาให้ไม่ได้พิจารณาเกาะติดไปกับพระธรรมเทศนาเวลาพระพุทธเจ้าแสดงหลายท่านก็คิดต่อไปเรื่อยๆแต่อุปมาว่าการช้าของท่าน มันเหมือนกับการเตรียมเดินทางของประชาชนประชาชรผูรรป้ปับ ป, บปุบปับก็ไปได้แล้วแต่ประชานนั้นจะต้องมีการเตรียมการมากทุกอย่างต้องพร้อมเรียบร้อยสอดเช็คกันเป็นอย่างดีแล้วจึงออกเดินทางแต่ว่ากระบวนการเดินทางของพระยาราชาก็ยิ่งใหญ่ ว่ากระบวนการเดินทางของรัศดรการบรรลุมรรคผลของพระเทราทั้งสองซึ่งเป็นระดับอริยสาวกอัครส า, าวกก็เป็นเช่นนั้นก็ทำให้ท่านยังคงเป็นประโสดาบันอยู่มีประเด็นที่น่าสงสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าในช่วงระยะเวลาสิบห้าวันเนี่ย ก็หมายความว่าในยุคนั้นพระพุทธเจ้าก็คงเสด็จไปเรื่อยๆไปพักอยู่ในสถานที่ต่างๆอย่างน้อยที่สุดในกรณีที่เกี่ยวกับพระมุคลานะและพระสารีบุตรก็แสดงว่าทรงย้ายที่ประทับอยู่ถึงสองแห่งในวันที่เจ็ดแต่การข้าวบวชของพระเทราทั้งสองและบริวา น, นั้น พระูพุทธเจ้าประทับอยู่นับป่าเพสักลามิกาายวันใกล้สูงสุมารกีรักีรานครอยู่ในแควนพักคะคือแควนไอแควนมคตเนี่ยมันมีอังคะกมะกฐาประคาบมังกรเป็นอีกแควนหนึ่งอยู่ตะนเรียงไว้ใน บาลีจมคขันทะมาวะแข่งพวินายว่ามหาชนบุทรสิบกแควนนั้นก็คืออังคะมากทะกาศีโกศละวชีมัลละเจตีวังสะกุรุปัญจละมัชะสุรเสนะอัศกะอวันตีคันธาระคัมภชะก็แสดงว่าแควนพระคะนั้นไม่ได้อยู่ในมหาชนนบุตริบบกแควน แต่ก็เป็นหมาชน บ, บทย่อยอีกห้าแพนซึ่งรวมแล้วก็ยี่สิบเี็ดแพรนสมัยนั้นพระหมาโมคลานะนั่งสปังโมกอยู่ณ บ, บ้านกาลวามุตระขาี่แพรนมะคดอย่าลืมามาแพรนมคดอังคะไอพ้พระาเนี่ยอยู่ไกลกันนะ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทอดประเนตเห็นท่านโมคลานะนั่งงูก้งอยู่หน้าบ้านกลาวามุตคามแควนมคฏ ด, ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธล่วงจักษุสามัญของมนุษย์ขณแล้วประสงหายจากเพศกลามิกาทยวันใกลกรุงสุมาระกีรานครแควนภักกะเสด็จไปรปรากฏเฉพาะหน้าท่านโมคคลานะ ระบ้านกาละวามุตรคามแควนมคตดกรณีท่านฟังจะลองสังเกตว่าระยะห่างระหว่างแควนพระกะกับแควนมะคตสมัยนั้นไม่มีรถไฟนะฮะมมีรถไฟไม่มีรถยนต์ไม่มีเครื่องบินอะไรพระเจ้าทรงใช้ปาฏิหาริย์หลายข้อ ข้อแรกก็คือที่ปัจจุบุตาทิพตัวสอดรูพระโมคคัลลานะช่วงที่สองก็ใช้มโนโมยิธิแปลบริษททางใจใบ ป, ปรากฏเป็นเหมือนกับกายจริงต่อพระพักของอต่อหน้าของพระโมคคัลลานะเทระแล้วก็ทรงมีพยานอย่างรู้ว่า ในขณะนั้นพระหมาโมคลานะกำลังงกง่วงอยู่จะเด็ดแป๊บเดียวก็ไปปรากฏตอบพระพักตร์ต่อหน้าแล้วอย่างที่เคยบอกท่านตั้งหลายว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงประกอบด้วยปาฏิหาริย์สามประการคืออิทธิปาฏิหาริย์แสดงฤทธิ์ได้แล้วก็ เจตปริยานรู้จักอาเทศนาปฏิหารรู้ว่าระความคิดจิตใจของบุคคลแล้วก็อนุสาสนีปฏิหารทรงแสดงคำสั่งสอนที่มหัศจรรย์สรับกับก พ, พื้นฐานของบุคคลผู้ฟังในขณะนั้นๆนทรงนี้ก็ใช้อีก ที่ปฏิหารครบเลยปฏิหารทั้งสามครบเลยการเสด็จไปนั้นท่านบอกว่าเปรียบเหมือนบุรุษมีกำมังเหยียดแขนที่คู้หรือคู่แขนที่เหยียดเช่นั้นหมายความมันเร็วขนาดคู่แขนเหยียดแขนนะนะครับคู่แขนเข้ากับเหยียดแข น, แข น, แข น, นออกเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยคุณเจ้าไปถึงแล้ เพราะเราจรึงเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่อัศจรรย์ว่าทําไมพระพุทธเจ้าไปเดียวปรากฏที่นั้นไปเดียวปรากฏที่นี้ไปเดียวปรากฏที่นั่นเพราะทรงไปด้วยโมโนมยิทธิก็เดียวไปด้วยกายทิพย์นะแต่ปรากฏเหมือนทุกอย่างกับกายเนื้อ และจากนั้นมีสถานการณ์อะไรก็แสดงไปตามสมควรแก่สถานการณ์และ น, นความอัศจรรย์ในลักษณะนี้ทำให้งานเผยแผ่ศา ส, สนาของปรงเป็นไปในเวลาที่รวดเร็วและเรามานึกดูอีกทีหนึ่งว่าก่อนหน้านั้นเจ็ดวันเนี่ยพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเวฬุวัน ที่กรุงราชคฤห์แล้วยังมีแควนมรโคดอยู่แล้วยังมีแควนอังคาอยู่แต่พอวันที่เจ็ดปรากฏว่าโน้นไปประทับที่แควนพักค่ะซึ่งมันไกลออกไปถ้ากี่ร้อยกี่พันกิโลเราก็ไม่รู้รก็เป็นร้อยเลยนะะเป็นร้อยกิโลแล้วแต่สักกี่ร้อยกิโลเนี่ยท่านไม่ได้บอกไว้ คือไปเร็วมาเร็วทุกอย่างมันเร็วหมดเพราะว่าปัญญาไวมีปัญญาที่มองไวรวดเร็วพระพุทธเจ้าประทับนั่งโบณนาฏนะที่บูรารแล้วคันแล้วได้ตัดถามท่านพระโมคคัลลานะว่าโมคคัลลานะถึงง่วงหรือบุกคคลโมคคัลลานะถึงง่วงหรือ กันโมกะลานะ้ากราบถูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะแต่ควัางลองสังเกตดูว่าบรรยากาศระหว่งางศาสดากับสาวกบวนใหม่ได้เจ็ดวันนะฮะแต่มันอบอุ่นเหมือนกับพ่อกับลูกดูแลสารทุกสุขดิบของลูกตลอดใครเป็นอะไรที่ไหนอย่างไรเสด็จไปแก้ปัญหา ไปเร็วบานเร็วเป็นที่รับรู้กันในหมู่สาวกทั้งหลายว่าพระพุทธเจ้ามีปกติเป็นอย่างนี้บรรยากาศเหล่านี้ที่ทำให้ประทับอยู่ภายในใจของสาวกทั้งหลายขนาดประกาศตนยอมสละชีวิตเพื่อพระพุทธเจ้าได้ และเรานำมาใช้กันอยู่ทุกวันทํามวัดเย็นในข้อที่ว่าบุทตรสหาสมิดาโซวะบุโธเมซามมกิสโรเข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายเหนือข้าพเจ้าบุธรสหังนิยาเดเมสรีรินจีปิตังจีดัง พระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตพร้อมทั้งสรีระแด่พระพุทธเจ้าแล้วก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆหมายความมาถึงคราวที่จะต้องตายเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าถ้าเราก็พร้อมที่จะตายอย่าในคราวที่อิสลามบุกนารันทาฆ่าพระไปอย่างน้อยแปดพันรูปเอง ท่านต้องการรักษาธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านต้องการรักษาสถานภาพของความเป็นภิกษุแล้วก็ต้องการรักษาความดีงามของพระพุทธศาสนาในขณะเดียวกันก็ภิกษุได้เห็นว่าความตายนั้นเป็นปกติธรรมดาของชีวิตใครจะเป็นยังไงก็ตามในที่สุดก็ต้องตาย ก็นั่งไงเขาข่าเฉยๆถามว่ากลัวหรือเปล่ากลัวบาปนะแต่ไม่กลัวตายท่านไม่กล้าทำไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ต่าเหล่านั้นก็เป็นชายชะกันแข็งแรงแต่ยลุกขึ้นสู้รบเนี่ยแปดพันคนเนี่ยไม่จะเล่นนะสามารถใครสลามตายได้เยอะเลย อิสลามก็มาไม่มากนะแาวนั้นมีเจ็ดร้อยมาเท่านั้นเองหมายความว่าเป็นทหารมาเจ็ดร้อยนายเท่านั้นเองแต่สามารถฆ่าพระของเราได้ถึงแปดพันกว่ารูปเรแสดงว่าค่าคนหนึ่งก็สิบรูปเป็นการยอมสละชีวิตเพื่อรักษาพระศาสนา รักความรักษาความถูกต้องดีงามของพระพุทธศาสนาเอาไว้นาลันธาถูกทำลายแต่ก็ฟื้นคืนกลับขึ้นมาได้ในปัจจุบันก็มีการพัฒนาขึ้นมาใกล้ๆกันก็ต่อไปก็จะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่เหมือนกันรู้จารับสั่งว่าลูกกรโมกคลานะ เหตุนั่นแหละเมื่อเธอมีสัญญาอย่างไรอยู่ความง่วงนั้นย่อมครอบงมได้เธอพึงทำไว้ในใจซึ่งสัญญานั้นในมากสัญญาก็คือการกำหนดหมายอารมณ์ระลึกรู้พิจารณาก็แล้วแต่ท่านจะเดินสมถะหรือวิปัสสนาเราก็ไม่รู้หรอก เพราะว่าพระโสดา บ, บันสมาชานก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับหมายความมาสมาธิเองก็ยังไม่สมบูรณ์ท่านจะอาจจ ะ, จะเจริญสมถะก็ได้วิปัสสนาก็ได้แต่สรุปว่าการจเจริญสมถะก็มีสติเป็นตัวกำหนดเลยเป็นหลักวิปัสสนาก็มีปัญญาเป็นตัวกำหนดพิจารณาเป็นหลักเป็นยกตัวอย่างว่าเรภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธเนี่ย ภาวนาให้มากขึ้นตั้งใจจดจ่อให้มากขึ้นเอาจริงเอาจังให้มากขึ้นมันจะเกิดอาการตื่นตัวประสาทส่วนต่างๆของร่างกายจะเริ่มทํางานเร็วขึ้นแล้วการง่วงนอนก็จะหายไปแต่แน่นอนว่ามนุษย์เนี่ยการกินนอนกลัวเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ พอถึงอยู่หนึ่งมันก็ง่วงอีกนั่นแหละทีนี้ถ้า ง, ง่วงอีกก็รับสั่งว่าถ้าเธอยังละไม่ได้แต่นั้นแต่นั้นเธอพึงศึกซองพิจารณาถึงธรรมที่ตนได้สดับมาแล้วไดเดียนมาแล้วด้วยใจก้อนนี้เป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้มาควา ม, มาตอนนี้ยกธรรมะขึ้นมาพิจารณา เช่นสมมติว่าเรายกออกคำว่าิริโอตปะเป็นธรรมะคุ้งครองโลกตั้งประเด็นขึ้นมาพิจารณาธีริคืออะไรโอตปะคืออะไรมีลักษณะอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรแล้วมีอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้มันเกิดขึ้น แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้อิริอิริโอต ป, ปะนั้นจะคุ้มครองโลกได้อย่างไรเจตสถานการณ์สมมติไปเรื่อยๆสามีกับพัญญาพี่กับน้องครูกับศิษย์เพื่อนกับเพื่อนญาติกับญาติผัวกับเมียก็ว่าไปเรื่อยๆได้ตลอดถึงสังคมที่อยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากเป็นประเทศเป็นหลายๆประเทศ แต่ะฝายต่างก็มีหริริมีอุตรปะอยู่ภายในใจคุ้มครองใจถามว่าถ้าแต่ละคนมีหริริมีอุตรปะเนี่ยคนจะฆ่ากันได้ไหมจะรักทรัพย์ของกันแกละกันได้ไหมจะล่วงเกินคู่ครองก็กันแกล้กันได้ไหมจะโกหกหลอกลวงต้มตุนกันได้ไหม จะเป็นทาสของสิ่งเสบติด จ, จะผิดสิ่งศิบติดจะจำหน่ายสิ่งศิบติดจะติดสิ่งศิบติดได้ไหมเราจะเห็นว่าไม่ได้เพราะว่าคนที่ทําเช่นนั้นมีใจที่คุมไม่ได้จํานวนมาลีว่ามีใจไม่เป็นของของตนคือคุมใจตัวเองไม่ได้รวบหน้าแก่ โทสะบ้างเกโลภาบ้างเป็นเหตุให้ฆ่าคนฆ่าสะตว์รวบหน้าแก่โลภาเป็นเหตุให้ลักทรัพย์ลู้อำนาจแก่ราค้าเป็นเหตุให้ประพฤติผิดในทางเพศรวมหน้าแก่โลภาโทสะโมหะเป็นเหตุให้ผู้เทศรวมหน้าแก่โมหะแก่โลภาเป็นเหตุตให้ติดสิ่งเสพติดได้ติดก็แสดงว่าได้ใจในไม่เป็นของตนแต่ตายุด ใจถูกบงการจากกิเลสเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จึงไม่สามารถที่จะควบคุมใจตัวเองให้เป็นปกติได้แล้วเราก็ยกขึ้นมาพิจารณาไปเลยท้านองคล้ายๆพระเทศอะพระเทศคือยกคถาสั้นๆขึ้นมาบทหนึ่งจึงสมมุติเราจะเทศเรื่องฮิเิโอตปะ อขึ้นต้นด้วยคำว่าอิริโอตปะสัมปนาสุ ก, กัทธรรมัสสมาหิตาสันโตสัปวิสาโุเกเดวธรรมติวุจเรคนที่ประกอบด้วยอิริความลลยต่อบาโปโอตรปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปซึ่งเป็นธรรมันขาวสัตว์บุตทั้งหลายในโลกนี้เรียกบุคคลผู้นั้นว่าเป็นผู้มีเทวธรรมมันก็มีประเด็นหลายประเด็น มีสี่ห้าประเด็นเราก็นำขึ้นมาพินิจิจารณาอย่างพระปวลาเทศเขาก็คิดตามไปเรื่อยๆนะคิดตามในประเด็นที่เขาเทศคนคิดเร็วก็พูดเร็วคนคิดช้าก็พูดช้าก็แล้วแต่แต่มายความว่าในขณนะนั้นแหละจะตื่นตัวแม้จะง่วงนอนอยู่เนี่ยก็ไม่หลับหรอก ประเทศไปได้เป็นชุดชั่วโมงคือเวลาเทศดีใจเราจะเป็นอย่างหนึง่งอตาตมาตามปกติไม่ค่อยได้เคยเทศจนรุ่งนะฮะแต่เมื่อปศ ส, สควันห้ารอยสี่เนี่ยไปช่วยงานอาจารย์ที่เพชรบุรีเวลาที่สาม อาจารย์ขอให้ขึ้นช่วยเทศแล้วก็ส่งคาภีให้ให้ไปอ่านเราอ่านแล้วเรายกภาษีมาแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ยากแต่ทำไมพออ่านไปท่านอธิบายยากจังเลยญาติโยมก็นั่งหลับและเนรณากันอยู่นั่นนะ่ะเลยก็ตัดสินใจพริกกลับมาด้านแรก ขึ้นคาถามาใหม่เลยคาถาเดิมนั่นแหละแต่แปลใหม่แล้วก็หลับตาอธิบายเลยหลับตาอธิบายตอนเทศนะ์นะคนสักสิบกว่าคนนี่นะตอนทีสามในคนจ้สิบกว่าคนเทศไปรุ่งเมื่อไหร่เมันคกายขันก็สะดุ้งกันว่าเขากายขันแล้วกแสดงกำลังจะรุ่ง ประเทศไปจนรุ่งถึงหโมงเชา้าก็3สามชั่วโมงรวดปรากฏว่าญาติโยมเต็มโบสถ์เลยแน่นโบสถ์เลยอย่างนั่งรออยู่ข้างนอกด้วยญาติโยมท่านดีใจบอกฟังเข้าใจท่านมหาเทศนึกฟังเข้าใจนะแต่ที่อ่านนึกฟังไม่เข้าใจแต่เราเองเราก็ใจเราจดจ่ออยู่ที่ธรรมะซึ่งเรายกขึ้นมาอธิบาย เราไม่ได้คิดเรื่องง่วงไม่ง่วงเรื่องคนกี่ ค, คนไม่ไม่ไม่ไม่กี่ ค, คนเราไม่ได้คิดเ ร, เราไม่ได้ดูด้วยแต่เรามุ่งไปในเรื่องเดียวแล้วก็เห็นว่าเอออย่างนี้จริงๆมันไม่ง่วงจริงๆอ่ะมีคราวหนึ่งไปที่จังหวัดจันท บ, บุรีก็ชื่อเสียงเรียงนามเป็นที่รู้จักของพระแต่ว่าไม่เคยเจอกัน ต่อไปพระรู้ว่าท่านวะธรรมาไปก็มาล้อมตั้งบงคุยกันสนุกเลยคุยธรรมะท่านถามธรรมะอาตมาก็ตอบธรรมะอาตมาถามท่านท่านก็ตอบถามไปต่อบไปทําไปต่อไปกันรุ่งเหมือนกัน น, นะแต่ว่าไม่ถึงกระสว่างทีเดียวเพราะว่าต้องรีบไปครองผ้าคือผ้ามันอยู่ที่กุฏิพัก ดังนั้นหลายชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงนี่สแสดงให้เห็นงว่าถ้าพอเราคิดธรรมะแล้วเนี่ยเราเราจะไม่อยู่เรื่องอื่นสมัยตอนห น, น, นุ่มๆนี่เคยเทตั้งแต่สองทุ่มจนถึงตีสองเทตั้งแต่สองทุ่มถึงเที่ยงคืนปีพศสองพันห้าร้อยนั่นแหละ ที่เราเรียกว่ายี่สิบห้าศตวรรษนี่แหละญาติโยมเต็มโบดตลอดแล้วก็ไมโครโฟนก็ไม่มีด้วยแต่แปลกที่โยมก็ไม่หลับพระก็ไม่หลับพอพระพุทธเจ้าสแสดงอย่างนี้เรานึกออกทีเราเออเราก็เคยมีประสบการณ์ตรงนี้แต่ว่าทำไมไม่หลับเพราะเราคิดแต่เรื่องธรรมะที่จะพูดเราไม่คิดเรื่องอื่นเลย อยู่กับธรรมะที่จะพูดใหม้มันมั น, มนบอกแวกไม่ได้นะะบอกแวกก็ติดแต่นั้นเองนี่คือธรรมานุภาพที่เกิดจากการคิดปติทิตรุ่งสนเดจประสังกราชกรมมาหลวงวชิรญาณนบุญเป็นนักคิดธรรมะชั้นยอดมากที่วัดบวร และสมเด็จพระสังฆราชองค์พระองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านก็คิดทำมากเก่งมากนานมาแล้วตอนนั้นรู้สึกออกมาเป็นราชาคณะใหม่ๆนะท่านมาหาทีสองเนะี่ยมากรับเชิจากสระบุรีไปเทศสระบุรีก็มานั่งอ่านหนังสืออยู่ขนอกรับลุ่มข้างนอกท่านมาถึงก็เรียก ก็ลงไปหาท่านบอกเออคุณมาชื่อเทศ ห, หน่อยนะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่ท่านมีวาราเทศวันอาทิตย์อยู่ท่านบอกว่าวันนี้คิดทำมาจนมันฟุ้งไปหมดมาหาจุดลงตัวไม่ได้อย่างนั้นก็ถูกอย่างนี้ก็ถูกอย่างโน้นก็ถูกอย่างนั้นก็ได้ไปใบใหญ่เด้อโอเคเนาะเออ ก็รับปากท่านนั่นแหละนะแต่ว่าที่น่าสนใจคือสนใจในในตัวท่านตอนนั้นท่านยังไม่เป็นสังกราชหรอกที่ว่าท่านคิดธรรมะจนจนนอนไม่หลับะ่ะแต่ว่าร่างกายเนี่ยมันก็ธรรมาดาเราคิดธรรมะอะไรก็ตามถ้าวันคืนหนึ่งเราไม่หลับเลยในรุ่งเช้าเราก็เพียแหละอันนี้มันเรื่องของร่างกาย เพการคิดธรรมะจะทำให้มันโปรง่งคือใจมันโปรง่งมันสว่างขึ้นแล้วก็จะลืมความง่วงแต่หายง่วงได้ตลอดไหมมันก็บอกไม่ได้หรอกมัต้องง่วงเขอามันแหละเพราะนั้นท่านท่านจึงบอกว่าถ้ายัางละไม่ได้แต่นั้นเธอเพึงสาธยายทำตามที่เธอได้สดับมา แตเดียดมาแล้วโดยพิสดารกรนี้จะเป็นเหตุให้เธอเธอละความง่วงได้สาธยาธรรมก็คือนาบทธรรมะเหล่านั้นมาสวดถ้าสาชนอาจจะทดลองก็ได้เราสวดอิติปิสโสร้อยจบร้อยแปดจบร้อยจบร้อยแปดจ บ, ดจบสวดไปเรื่อยเลย สวดในใจบ้างสวดออกเสียงบ้างแน่นอนถ้าสวดออกเสียงหมดเสียงมันก็แหบแหละมันก็เหนื่อยสวดในใจซะบ้างออกเสียงบ้างสวดในใจบ้างออกเสียงบ้างก็สวดไปเรื่อยเลยใจมันจะจดจ่ออยู่กับบทสวดอาการง่วงเนี่ยมันต้องหายไปเพราะถ้าเราสวดอย่างสับประงกเนี่ยเราก็าต้องต้องหลับแหละต้องหลับใน ก็พยายามสวดต่อไปได้เลยนี่ก็เป็นอุบายวิธีที่จะช่วยนี่จะช่วยลากความงุ่งออกไปได้ทีนี้ประการต่อไปก็บอกว่าถ้ายังละไม่ได้แต่นั้นนั้นตือพึงพึงยอนหูทั้งสองข้างเอามือลูกตัวก้อ น, นี้เป็นเหตุได้ถือลากความงุ่งได้ ไปนี้ก็มาช่วยที่ร่างกายแลละมาแก้ไขที่ร่างกายแล้วก็อะไรอะ่ะก็แล้วแต่สารีก็ได้คนไก่ก็ได้อะไรก็ได้ย้อนหูแล้วก็มือลูกตัวตอนนั้นยังไม่ใช้น้ำนะเอามือลูกตัวไปก่อนลูกตัวไปไปนํามามาเป็นการปลุกระสาทให้มันตื่นตัวขึ้นมาก็จะขจัดความง่วงไปได้ระยะหนึ่ง แต่ก็แน่นอนแหละมันไม่หมดหรอกถ้ายัางล้าไม่ได้แต่นั้นเธอปุงลุกขึ้นยืนเอาน้ำล้างตาเดี๋ยวดูทิ่ทั้งหลายแง น, นดูดาวฤกษ์ดาวนักขัตฤกษ์คนนี้เป็นเหตุท้เธอละความง่วงนั้นได้ตอนนี้ต้องเปลี่ยนนิยาบทละหมายความกรรมฐานก็หยุดทําแต่ว่าสติยังไปตั้งอยู่ที่ท้องฟ้า มองดูดาวมองดูทิศทั้งหลายมองดูดาวฤกษ์ดาวฤกษ์ ม, มันสว่างมองไปมองม า, า, มาก็จะตื่นตัวขึ้นมาอีกละตื่นตัวขึ้นมาอีกเพราะว่าเอาน้ำมาล้างหน้าด้วยสไ ม, ไมัยมาอยู่วัดปรบอนวัดวอนในเขาเกณฑ์ให้ส่วนมนต์ฉบับหลวงจบภายในหนึ่งเดือน สมวนจะาับหลวงนะเกือบสอง้อหน้านะเล่มหนึ่งแล้วก็ปฏิโมกจบภายในหนึ่งเดือนเหมือนกันนั่นแหละว่าเดือนเดียวก็ท่องสองเล่มกันแ้กันอาตมาบางสูตรเนี่ยเราไม่เคยไม่เคยท่องมาก่อนก็ค่อนข้า ง, งยากแล้วก็ท่องควบคู่กับปฏิโมกด้วยาบางคืนเรา ก็หัวไปรอหรืออยู่อ ย, อยู่อยู่ที่ก๊อกน้ำนะฮะบางทีก็อาบน้ําเลยบางทีก็หัวรออยู่ที่ก๊อกน้ําแล้วผ้าอชุบน้ําแล้วคลุมมาบนหัววางบนหัวเยน็นท่องท่องมะง่วงเราก็ทําอย่างนั้นนี่แกก็ท่องเสร็จสองเล่นเนี่ยยี่สิบสี่วันใช้เวลายี่บสี่วันแต่ไม่ได้ซ้อมทั้งยี่สิบสี่วันนะะคือสรุปว่ากินเวลาทั้งหมดยี่สิบสี่วัน ก็จบจังสองเล่มแล้วก็แสดงว่าวิธีการของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็จำมาตั้งแต่นธรรมยันตรีนั่นแหล ะ, ะข้อนี้เรียนเรยนนักสูนธรรมจันตรีแล้วาจโตนะนั่นธรรมยันโ ต, นะนรรนโตดึงอนุพุท ธ, ธาสาวกก็ ข้อนี้จะเป็นเอกเธอละความง่งไดถ้ายังละไม่ได้แต่นั้นเธอพึงทำไว้ในใจถึงอานโลกสัญญาตั้งความสำคัญในกลางวันว่ากลางวันอย่างไรกลางคืนก็อย่างนั้นกลางคืนอย่างไรกลางวันก็อย่างนั้นมีใจเปิดอยู่ชนิดไม่มีอะไรหุ้มก่อตามจิตอันมีแสงสว่างให้เกิด คนนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความม่วงได้นี่ก็เป็นข้อสําคัญคือหมายความอารมณ ก, กัสัญญาเนี่ยอารมณ์ัสัญญาอารมณ ก, ก็คือสว่างนะหมายความมองสว่างการคืนนะกลางวันก็คือการนี่ยมันอยู่ที่เราคิดอ่ะไกลๆ ก, กับประเทศแถบสแ ก, กนดเนเวียเนี่ยก็ไม่รู้กลางคืนกลางวัน แต่คนที่อยู่ที่นั้นเขาก็รู้ว่าตอนไหนควรนอนตอนไหนควรลุกขึ้นทํางานนะเขาก็รู้ทางๆที่พระอาทิตย์ไม่ตกดินแต่เขาก็รู้ได้เขาก็อยู่กันได้เป็นปกติสุขมีฐานะมั่งคั่งทางเศรษฐกิจการเมืองก็ดีเศรษฐกิจก็ดีสังคมก็ดีอาชญากรรมก็ไม่รุนแรงประเทศเขาก็มีในรูปรัฐสวัสดิการบางประเทศก็มีรูปรัฐสวัสดิการเป็นต้น นั่นก็แสดงว่าเรามักจะมีความรู้สึกโน้มเอียงไปกับความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเช่นบางคนเวลาโปรเพรเนี่ยโปรเพรท้าฝนคลึ้มมีละอองฝนโปรยๆและเริ่มง่วงอนะ่ะบางคนในเริ่มง่วงนะ่หาวอดวออ่ะนั่นก็แสดงว่า ไปยึดติดอยู่กับบรรยากาศรอบตัวก็ได้เวลานอนก็นอนก็ง่วงก็สับปรงกตก็หาเพราะฉะนั้นคิดใหม่กลางวานันชั้นใดกลางคืนก็ชั้นนั้นกลางคืนชั้นใดกลางวันก็ชั้นนั้นทำใจให้สว่างโรงอยู่ตลอดแม้หลับตามืดเตือเนี่ยแต่เรามองเห็นเป็นความสว่าง พยายามมนักสิการทำใจรู้สึกว่าเราอยู่ในแสงสว่างแล้วก็จะบรรเทาความม่วงลงไปได้อันนี้ก็เรียกว่าทำกันมาอย่างนี้ก็นานแล้วนะกินเวลามาเยอะแล้วมีใจเปิดเผยอยู่ชนีจะถือว่าไม่มีอะไรปกปิดให้มันมืดไม่มีอะไรปกปิดแต่มันมืดทนจิต มันมีแสงสว่างให้เกิดกรณีจะเป็นเหตุเลาความง่วงได้ทีนี้ถ้ายังละไม่ได้มันก็ไปเลยเที่ยงคืนไปแล้วนะไปเลยชิงคืนไปแล้วถ้ายังละไม่ได้แต่นั้นเธอพึงอธิษฐานจงกลมกาหนดหมายเดินกลับไปกลับมาส ม, มุนีพรมีใจไม่คิดไปภายนอก มันก็เดินจงกลมกลางคืน น, นะนะเดินจงกลมกลางคื น, นเดินจงกลมเราจะเห็นว่าที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ไอ้หนอหนอนอน อ, นอทั้งหลายเนี่มันไม่อยาดมันเป็นการเดินแล้วกําหนดสติอยู่ที่อิริยาบถเดินก็เรียกว่ารู้รูปเดินไปจะ ต, ตั้งสติยังไงก็ตั้งไปแต่จดจ่ออยู่กับอิริยาบถเดิน เดินกลับไปกลับมาลานจงกรมพระจารย์กรรมฐานที่เราไปส่วนมากเราจะเจอแถวภาคอีสานเนี่ยเราจะเห็นว่าท่านก็ทําเป็นทางเล็กๆอยู่หน้ากุฏิใกล้กุฏิแต่ท่านก็เดินกลับไปกลับมากลับมากลับไปกลับไปกลับมากลับมากลับไปอย่างงั้นทําได้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งดี อย่างน้อยไม่มีอะไรสักสี่ห้านาะทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีก็ค่อยๆขึ้นไปนะฮะตั้งสติอยู่กับปิรลยียบ ท, ที่เดินตั้งตอนไปแล้วก็ตอนกลับทีนี้เมื่อเดินไปเดินมาอย่างนี้มันก็ตื่นตัวแหละประสาทผมก็ตื่นตัวก็วมง่วงก็ค่อยๆกลางจางคลายไปจากจิตใจ แ ต, ต่ตั้งก็จะหายจากควา ม, มวงววทีนี้มาถึงจุนนี้แล้วปรากฏว่าใจต้องไม่คิดไปนในภายนอกคือสำรวมระวังอินทรีย์เวลานั้นมันมันส่วนมากมันเป็นธรรมชาติรอมรอบตัวเราอยู่เนี่ยพมดึกดึกเยอะแล้วคนก็กลับกันหมดแล้วเราก็อยู่ในป่าเพราะเราอาจจะเห็นท้องฟ้า อาจจะเห็นใบไม้อาจจะได้กลิ่นดอกไม้สัมผัสนั้นก็อาจจะสัมผัสกับบรรยากาศรอบตัวสัมผัสลมสัมผัสลม <im> สัมผัสความเย็นสัมผัสความอบอุ่นลิ้นเราไม่ได้รสจมูกอาจจะได้กลิ่นฮะแต่ลิ้นเราไม่ได้รสจะลงตาก็อาจจะเห็นหูก็อาจจะได้ยินจมูกก็อาจจะได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รส กายอาจจะได้สัมผัส้นสำรวมจริงๆก็คือสำรวมที่ที่จิตไม่คิดไปข้างนอกไม่ใส่ใจอารมณ์เหล่านั้นรูปเสียงกลิ่นรสปุถะภาเหล่านั้นทึงวันอยู่รอบๆตัวเราอะนะเราก็ไม่ใส่ใจแล้วก็มุ่งเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวทั้งทั้ง ทั้งไปทั้งหน้าทั้งเดินกลับอะทั้งั้งเดินไปทเดินกลับก็อยู่ขา้างหน้าอย่างเดียวข้อ น, นี้เป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้อา้าประเด็นต่อไปถ้ายัางละไม่ได้มีประเด็นต่อรองเรื่อยนะฮะถ้ายัางละไม่ได้เราทำยังไงมันก็นานแล้วเนาะใกล้รุ่งแล ก็ต้องนอนแหละแต่นั้นเธอพึงสำเ็จสีห์เสยยาคือนอนตะแคงขวาซ้อนเท้าเหลื่อมกันไม่จะทับกันแบบพระพุทธรูปที่เขหล่อนะคือเลื่อมกันใหญ่เส้นเอ็นของของขาทั้งสองข้างมันไปทับกันแล้วก็นอนตะแคงเบื้องขวา ก็ใจว่าตรงนี้ก็ไม่รู้นะอินเดียสมัยนั้นอากาศมันอาจจะดีแต่ดูแล้วมันน่าจะอาบน้ำมานนะ่ะน่าจะอาบน้ำจะก่อนเพราะเดินจงกลมในเหงื่อมก็ออกแล้วก็เหนียวตัวอาบน้ำแล้วก็นอนแบบสีห์สยานอนตะแคงขวาซ้อนเท้าเหลื่อมกัน มีสติสัมมาชั ญ, ญาณนอนลึกรู้ต่ออารมณ์ต่างๆแล้วก็นอนทำความหมายว่าเรากำลังนอนความสุขในการนอนข้างความสุขในการเคลิ่มหลับความสุขในอย่าไปติดใจนะอย่าอย่า อย่าไปคิดว่าเราจะหาความสุขจากการนอนเพราะแม้นมันจะติดที่นอนตื่นขึ้นมาก็ตะแคงซ้ายตะแคงขวาบิดตัวบิดซ้ายบิดขวากว่าจะหลับก็กินไปลายตั้งสติว่าเราจะไม่หาความสุขจากการนอน ความสุขจากการเครื่มหลับความสุขจากการเองกายจะมีสติที่มุ่งจะพักผ่อนร่างกายร่างกายได้พักผ่อนพอสมควรแล้วก็หลับตั้งสติกำหนดเอาไว้ก็เรียกว่าอันนี้ก็เรียกว่าอุทานนสัยยาคือกำหนดหมายที่จะลุกขึ้น เราเห็นว่าการนอนแบบอนุฐานนสัยยาอย่างที่พระพุทธเจ้าบรรธมแบบนี้เหมือนกันนะนะฮะก่อนจากนิพานเนี่ยภายใต้ต้นนางรั ง, งทั้งคู่ก็บรรทมแบบนี้เหมือนกันแต่นั้นเขาเรียกเป็นอนุฐานนสัยยาคือตั้งพระไยไว้ว่าจะไม่ลุกขึ้นหรอกนิพานเลยแต่นี้เป็นอุทานนสัยยา หมความว่าตั้งใจเอาไว้สักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็จะลุกขึ้นพอตื่นก็รีบลุกขึ้นเลยแล้วทาตัวให้ ก, ร, ก, ร, กระปี้กระเป๋ากระจักระเซิงแน่นอนตอนนี้มันก็รุ่งแล้วก็อาบตามอาบท่าหรือจะเดินจงกรมต่อเสร็จแล้วก็อาบตามก็แล้วแต่แหละ ดีๆวิธีการครองชีวิตของพระในสมัยต้นพุทธสมัยเนี่ยเรื่องมันยังไม่มากเพราะงั้นท่านมุ่งไปที่อะไรละตื่นเช้าขึ้นมาอาบตาอาท่าเสร็จแล้วก็ออกบินดาบาดบินดาบาดแล้วก็กลับมาฉันกลับมาฉันก็ไปวิเวกในที่ต่างๆ สั่งสมาธิบ้างเดินจงกรมบ้างแม้พระอาหารหันต์ท่านก็ทํานะแต่ทําเพื่อเป็นแนติแบบอย่างให้อนุชนรุ่นหลังได้ถือตามปฏิบัติตามว่าบุรพาจารย์ท่านเป็นอย่างนี้ท่านถือประพฤติปฏิบัติกันมาอย่างนี้อย่างประวัติพระาจารย์มั่นเนี่ลองฟังดูเถอะโลสิตชื่นชมในการบําเพ็ญเพียรของท่าน เจอแต่บําเพ็ญเพียร น, นั้นเองดึกดืนเที่ยงคืนพระอาจารย์ก็บําเพ็ญเพียรอย่างนั้นเองตอนใดบรรลุอะไรไม่มีใครรู้หรอกแต่ว่าการมาเป็นเพียร น, นั้นท่านไม่ทอดทิ้งมันเป็นจริยาของบุรพผาจารย์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นต้นมาพระเจ้าก็ทรงเป็นต้นแบบในเรื่องนี้ เราสมัยนี้ที่จริงยังห่างไกลอะไรจากท่านเดียวอย่าในปัจจุบันวัดรทั่วไปในที่กุตินะก็แน่นอนและต่างคนต่างกตวยพระสวดมนกันไปเดี๋ยวลงทำวัดเชา้าทำวัดคำ่ำหรือทำวัดเย็นนะฮะก็แล้วแต่เชา้ชาเช้ามันน่าจะกู้กับคำ่ำ เชา้ามันน่าจะคูก็เย็นนะฮะหัวรุ่งมันน่าจะหัวค่าคือถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่ า, าทำวัดตั้งแต่ตีสี่ 4, และวก็นั่งสมาธิแล้วก็ไปถึงประมาณตีสี่ครึ่งไม่ใช่ตีสี่ถึงห้าครึ่งก็อยากย้ายกันกรับกุฏิอาบน้ำอาบท่าอะไรเรียบร้อยแล้วก็ไปบินทบาท จิตวิทยมันก็หมุนวนกันอยู่อย่างเงี้ยตราบใดที่เราไม่เสร็จภารกิจส่วนตัวเราก็ต้องทําเข้มงวดเสร็จกิจส่วนตัวแล้วก็ทําอย่างเข้มงวดแต่คนละแบบผู้เซสกิจแล้วก็ทําเพื่อเพื่อกูลอนุเคราะห์แก่อนุชนรุ่นหลังคนที่ยังเสร็จยังไม่เสร็จภารกิจก็ทําเพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์ในการบวชของตัวเองนึกดูว่ า, าพระที่จริงก็คือคนนะนะคือคนธรรมดาธรรมดานี่แหละก็มาฝึกตัวเองเราชนะใจตัวเองอาจจะหนึ่งในร้อยหนึ่งในหลายหลายร้อยหนึ่งในเป็นพันก็ได้มาสักองค์หนึ่งหนึ่งเป็นหมืน่นก็ได้สักองค์หนึ่ง แต่ขนาดบรรลุมพระผลเป็นพระหานั่นก็เรียกว่าหนึ่งหนึ่งก็หลายลายแสนะ่ะก็ได้เป็นสักองค์หนึ่งเป็นลักษณะของการร่อนทรายหาทองังไงก็ตามประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าประทับใจเราเห็นความอบอุ่นระหว่างสตารากรสาวกรุ้ิตอยู่กลาลิดนะอาจารย์อุสาวรีหาอาจารย์อุสาวรหา เป็นแนะนำสั่งสอนให้ศึกษาให้สำเนียกกันอยู่อย่างนี้นี่ก็เป็นประเด็นแรกนะประเด็นแรกคือคือที่จริงเรื่องภาษาริบุตรก็ลืมเอามาเดี๋ยวตอนภาษาดิบุตรบรรลุมรุญเป็นพระหานก็คิดว่าจบพระโมคขลานะแล้วจะเอาที่พระสูตรภาษาริบุตรบรรลุมรุญนะประธานมาด้วยเพรตามปกติแล้วเราก็ไม่ค่อยได้เผยแพร่ ก, กัน เรียกเวทนาปริขาสูตรหรือบางทีเรียกว่าทีฆานักสูตรของพระโมคคาลลา น, นี้ก็เรียกว่ามุคลานสูตรแต่ว่าปรากฏอยู่ในอังคุตรนิกายสัตตกานิบาทท่านเห็นว่าอุบายวิธีที่บรรเทาความง่วงนี่มันมีแปดข้ออันนี้มันก็อยู่ในช่วงของอัตตะกนิบาศนะ คือหมายความว่าองค์ธรรมมีแปดมีแปดประการด้วยกันแต่ถ้าองค์ธรรมมีเจ็ดมันก็จะมีเจ็ดข้อทกฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูดในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี